ครูบาอาจารย์ที่ท่านมีอัตมีธรรมท่านบริโภคปัจจัยสี่แบบสามีจิตบริโภคบริโภคเหมือนเป็นของตัวเองบริโภคเหมือนนายเรามาคิดถึงเรื่องเหล่านี้แล้วเราก็น่าวิตกเหมือนกันว่าเราประเภทไหนประเภททยะบริโภคหรือเปล่าบริโภคโดยความเป็นนี่ประเภทอินเนอบริโภคหรือเปล่า อ่าบริโภคโดยความเป็นขโมยเ อ, อย์บริโภคอีเนาะบริโภคบริโภคโดยความเป็นหนี้หรือเปล่าหรือเราเป็นสามีจิบริโภคหรือเราเป็นธรรมธายาตบริโภคเราเป็นผู้บริโภคประเภทไหนเราต้องรู้จักเพราะฉะนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องศึกษาเราไม่ศึกษาไม่ได้แต่ว่าวัดเราวัดป่าเราไม่ได้ตั้งกระดานดําเราไม่ได้จัดห้องเรียนเราไม่มีคนมายืนสอนให้ทุกคนไปดูไปอ่านไปศึกษาเอาเองเราศึกษาแบบผู้ใหญ่เราไปดูแบบผู้ใหญ่ อย่งนวโควาดนเราดูสองวันก็จบแล้ะดูผันผ่านดูเรื่อยๆดูบ่อยๆดูผันผ่านดูสองวันก็จบถ้าคนคงแก่เรียนก็ดูวันเดียวก็จบนวโกวาทสรุปทั้งบทวินัยทั้งบทธรรมอยู่ในนั้นดูเพื่อศึกษาดูเพื่อเอามาเป็นข้อปฏิบัติข้อปฏิบัติเราอื่นก็ให้เราเข้าใจให้เรารู้ให้เข้าใจให้ศึกษาเช่นอย่างทุนดงเนี่ยที่เราลง บินธบาต ท, ทุดงตกทุกวันทุกวันตรงนั้นให้เรามีเจตนาเราเจตนางดเว้นไม่รับอาหารตามส่งบนนี้เราก็ลงรับทุดงตรงนั้นไปรับในบ้านแล้วก็มาลงลงมารับหน้าวัดตรงนั้นรับทุดง ม, มีเจตนาว่าไม่รับอาหารตามส่งบนสลานี้ที่เรารับแล้วเข้าบาทเราแล้ว เอาเทาใสกละลามังที่นู่นเขาเอามาให้เราอันนี้ก็ถือว่าเป็นของเราไม่ใช่ว่าได้มาในบาทอะไรก็ฉันได้เฉพาะเท่านี้ไอ้ที่เราเขาใส่ให้เราแล้วเราเอาใส่กะละมังใสอะไรอยู่ที่นู่นเขาตามมาส่งที่นี่อันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเดียวกันให้เข้าใจเราเอาใสเจตนาเจตนาตัวนี้คือเจตนาเพื่อที่จะดัดแปลงขัดเกลา ความหมายก็คืออยากอยากได้ตามมีอยากได้ตามาตามีตามไ ด, ด, ด้เป็นสันโดษเป็นสันโดษอย่างหนึ่งเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งแต่ว่ามักน้อยนี่จะละเอียดกว่าถือสดงบางทีก็เต็มบาทก็เต็ม้าบาทก็เต็มอีกครึ่งกรมังอีกตามมาอีกโอ้โหไม่หว่านไม่ไหวนี่ถ้าเราจะถือสันโดษก็ได้ไม่ผิด แต่ถ้าเราถือมากน้อยนี่มีมากเท่าไหร่ก็ตามเราก็เอาแต่น้อยน้อยเอาพอดีพอดีดูไปที่กิริยาของจิตมันโลภไหมนั่นคือกิเลสตัวหนึ่งแหละออกมาละโผล่มาละมันโลภไหมอันนั้นไม่พออันนี้ไม่พออันนั้นน้อยไปอันนี้น้อยไปอันนั้นดีเอาแต่อันนี้อันนั้นไม่ดีเอาแต่อันนี้เอาแต่อันดีดีดูไปที่กิรเลสกิริยาของมัน กิเลมสมันแทรกเข้ามาทุกระยะถ้าเราขาดสติเมื่อไหร่แหละมันมาแทนที่แล้วแหละกิเลสมาแทนที่ไม่รู้ตัวนึกคิดผิดชอบชัว่วดีไม่รู้ว่แต่เป็นเรื่องของความอยากของกิเลสทั้งหมดมันแทรกเข้ามาอยากเข้ามามานนันได้คานึงว่าควรไม่ควรเหมาะไม่เหมาะเรื่องของกิเลสมันอิสระเสรีแบบกิเลสนะ มันมีตัวอยากเป็นตัวนาความอยากเป็นตัวนำความอยากเกิดที่ใจเราดูที่ใจเราจะเห็นความอยากดูที่ใจเห็นความอยากพอเราเห็นเราก็้าตามมันไปไปดูมันพอมันเห็นปั๊บเราก็้าตามไปดูมันทําไมเพราะเหตุใดอหาเหตุับปัจจัยให้มันกิเลสมันไม่มีเหตุผลเลยพอเราสาวไปเราสาวไปโอ้โคโลไม่มีเหตุมีผลอะไร ความอยากเกิดขึ้นพับสาวไปเพื่ออะไรเพื่ออะไรไม่มีเหตุมีผลมันปีนเกลียวได้หมดขึ้นชื่อว่าเรื่องของกิเลสไม่มีรักไม่มีชังไม่มีโกรธไม่มีเกลียดไม่มีอะไรกับใครแล้วไม่ได้คํานึงว่าผิดว่าถูกว่าดีว่าชั่วว่าอะไรแล้วะว่าอยากและสนองเลยอยากและสนองเลยจึงเป็นเรื่องที่ตกไปเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสมากกว่ามากกว่าสิ่งที่เป็นธรรม สิ่งเป็นทรรโผล่มาบ้างก็ไม่อยู่แต่ความอยากนั้นต้องเป็นความอยากที่ไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมไม่ผิดระบบระบบระเบียบกฎหมายบ้านเมืองไม่ผิดวัฒนธรรมไม่ผิดข้อวัดส่วนน้อยส่วนใหญ่ไม่ผิดหลักของพระธรรมวินัยเนี่ยความอยากส่วนนั้นเป็นความอยากเป็นไปเพื่อมรกแต่ถ้าเป็นความอยากเพื่อทําลายหลักทําลายศีลทําลายธรรมทําลายระบบระเบียบ ความอยากนั้นเป็นความอยากของกิเลส ท, ทั้งดุนเป็นความอยากของกิเลส ท, ทั้งหมดน่าฝนมาแล้วฝนทำท่าจะตกหนักวันนี้น้าห้วยมันก็ล้อนตั้งแต่ต้นปีเนาะปีนี้น้าห้วยเราร้นตั้งแต่ครึ่งเดือนมาแล้วเนี่ยแต่ก่อนเข้าพรรษาแล้วก็ยังไม่ร้นแต่ก่อน บางปีครึ่งพรรษาน้ำห้วยยังไม่ร้นก็มีน้ำฝายเราข้างบนแต่ปีนี้มันร้นมาตั้งนานแล้วน้ำห้วยฝนตกหลายค้างหลายหนน้ำฝายมันเต็มก็ร้นร้ลนลงห้วยห้วยก็เต็มไหลต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยคนก็พอได้ดำพอได้กล้าพอได้ปักพอได้ดำ นี่ตอนนี้กำลังเริ่มแล้วแหละคนนั้นก็จะลงดาคนนี้ก็จะลงดำแหละบางคนก็ยังไม่ได้กล้าเลยบางคนก็กำลังกล้าวานกล้าปีนี้มันแปดสองหนเพราะฉะนั้นมันโย่ไปจนนุ่นสิงหานะเข้าพรรษาทีนี้วันที่สองวันที่สไลด์เข้าพรรษาสิงหา โอกาสที่จะเข้าภาษาสิงหานะ่ยมีน้อยนะปีนี้แปดสองนนู่นไปสิงหาออกภาษา30มตุลานแต่มันก็เป็นไปตามฤดูกาลของมันนั่นแหละเราดูเหมือนว่ามันล่วงไปเร็วฝนทำไมนานตกฤดูกาลมันก็เป็นไปตามฤดูกาลของมันนั่นแหละ หน้าฝนมันก็เริ่มเริ่มเริ่มมาตั้งแต่เดือนสีน 5, นน่เดือนห้านั่นแหละเดือนหกเดือนเจ็ดเนี่ยเหลืออีกเดือนกว่าจะเข้าพรรษาเหลืออีกเดือนกว่าจะเข้าพรรษาพระใหม่เราเนี่ยตอนเข้ามาอยู่วัดใหม่ๆเราก็อนุโลมนะ ตั้งแต่เริ่มมาอยู่เป็นภาคขาวเราก็อนุโลมอนุโลมฉันหิวนู้นหิวนี้หิวอะไรก็นอนุโลมให้ฉันบวชใหม่เข้ามาเอายังไม่แก่กล้านักเราก็อนุโลมให้เรามีความรู้สึกว่าเราอยู่นานแล้วเราพอจะอดได้เราพอจะทนได้ก็ยกเว้นแต่อด อาหารพวกน้ำอ้อยน้ำหวานน้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยให้มีเวลาเวลาที่เราพาทําเราไม่ได้ให้หมู่ทําแบบนี้ไม่ใช่ใครอยากฉันอะไรตอนไหนก็ไปฉันได้ไม่ใช่เราเห็นว่าใหม่เราก็อนุโลมไปแต่ถ้าหากเห็นว่าเก่าแล้วชินชาแล้วอะไรแล้วเราก็เลิก อยิ่งวันไหนเราออกไม่ชันแล้วนี่ที่เห็นๆก็คือตอนค่าบางคนชันก็ชันแล้วก็ยังชันอยู่ชันแล้วก็เอาตอนค่ำเอยไม่ชันก็ไปอย่างหนึง่งนะให้เรารู้ว่าเราอยู่ถ้าเราฝึกอย่างนั้นเราฝึกยางไนมันก็เป็นอย่างนั้นด้ แลฝึกยังไงก็เป็นอย่างงั้นได้พราะอดได้ก็อดเวลาที่เราให้ออกมาชันก็คือบ่ายโมงให้ออกมาชันบางคนตั้งใจอดแล้วก็ตอนเช้าก็ออกออกมาชันเนี่ยก็ถือว่าไม่ถูกต้องถ้าพออดได้แล้วก็อดได้เวลาปานะบ่ายโมงเราค่อยออกมาเนี่ยเนี่ยก็ถือว่าถูกต้อง ในนั้นคือเราอนุโลมอนุโลมตอนเข้ามาใหม่ๆเราอยู่นานไปแล้วเ ร, เราก็ชินเราก็ช้าไปบางคนไม่รู้มาเห็นอย่างนี้ก็คิดว่าเราพาทาอย่างนี้ไม่ใช่นะตอนเข้ามา็ไปเออกันเต็มอยู่ตรงนั้นนะ่ะคนนั้นได้คนนี้ไม่ได้มันจะต้องคิดอะ่ะแหละอันนี้ก็ให้เราระวังกัน พอยอดให้มันเท่านั้นแหละฉันพอยอดพอเยียวยาให้มันฉันปนาณะตอนบ่ายก็ฉันพอยเยียวยาให้มันฉันตอนเช้าก็ฉันพอยเยียวยาให้มันอดอาหารอดข้าวมีอดเพื่อตั้งใจภาวนาจริงๆนี่ดีได้ประโยชน์เพราะเบาเบากายเบาใจ จะท้ออดเพราะตื่นไม่ทันอันนี้แย่มากๆอดเพราะตื่นไม่ทันอันนี้แย่มากๆให้รู้สึกตัวเอาไว้ถ้าตั้งใจจะอดก็อดตั้งใจอดให้รู้แก่ใจมาทําข้อวัดตอนเช้าก็มาให้ทันกันก่อนตีสี่ ามาให้ทันไม้ทันหมูก็แล้วกันแหละตีสี่เอาตีสี่เป็นเกณฑ์หลังตีสีไม่มากนักแต่ก็ไม่บ่อยอครั้งหลังตีสี่สี่ห้านาทีแต่ก็ไม่ทุกวันไม่ใช่ทีหลังเขาทุกวันเนี่ยไม่ใช่บางคนยิ่งมาไม่ทันทำข้อวัดด้วยแล้วก็เขิน หมายทันทําข้อวัดปัดกวาดเช็ดถูปูอสัสนะบนสลาตอนเช้าสี่ทีสี่พร้อมเมื่อไหร่แล้วก็ทําวัดหมายว่าเสร็จเสร็จแล้วก็ทําได้เลยไม่ต้องคอยใครอย่างละใครที่ลงไม้ชั้นก็พากันทําสําหรับคนที่ไม่ไม่ลงไม้ชั้นก็ยกยกสิทธิให้ไปนี่สำหรับมาทําข้อวัดตอนเช้า ใครจะหมายฉันต้องมหมายทันโมตีสี่เป็นเกณฑ์ไม่ว่าเดือนฤดูฝนฤดูหนาวฤดูร้อนเราเอาตีสี่เป็นเกณฑ์มหมายทันเราก็จะได้ปัดกวาดเช็ดถูกัวสนะจัดอะไรเสร็จพร้อมเพรียงกันแล้วก็ทําวัดจุดมนคนที่มันสามารถกว่าก็พาหมู่ทําวัดจุดมนบางทีผมไม่ได้ลงบางทีหลวงพ่อเพิ่มก็ไม่ได้ลงบางทีคนนั้นไม่ได้ลงคนนี้ไม่ได้ลง ใครรองๆลงไปก็พาหมูทำํำก็ให้พร้อมกันทําให้พร้อมกันพร้อมกันจบด้วยความพร้อมเพียงกันด้วยความฟังกันอืทําวัดเสร็จแล้วก็พวกเราก็ทํากั น, นน้อยๆเองสิบห้านาทีเสร็จแล้วพวกเราก็นั่งภาวนากันต่างคนต่างพร้อมกันนั่งภาวนาไม่ใช่เราเรานั่งภาวนาตอนนี้ไม่ถนัดดอกหมูนั่งไปเราลงไปลงไปไหนก็นไม่รู้ แบบนี้ไม่ถูกต้องไม่พร้อมเพรียงไม่สามัคคีเพราะอันนี้เป็นข้อวัดที่เราให้ทาไปจำทาวัดเจ็ดก็นั่งภาวนาไปนั่งภาวนาไปจนได้ได้อารุณจนสว่างใกล้จะออกบินทบาทห้านาทีก็ให้พร้อมเพียงกันเลิกพร้อมเพียงกันทาวัดสวดมนต์พร้อมเ พ, ยดดม พ, มเพียงกันนั่งภาวนา เหลือเวลาอีกห้านาทีจะได้เวลาออกอุนบาทก็พร้อมเพรียงกันเลิกอย่าไปเกี่ยงกันมีปะมีคํากันการเห็นใจการเมตตากันนี่ยเป็นธรรมการเอาธรรมะแสดงต่อกันนั่นแหละเป็นธรรมธรรมะที่ออกมาแสดงต่อกันเนี่ยจะไม่กระทบกระเทือนเอาการถือเนื้อถือตัวทิ้งไป เนี่ยทําให้เราลดความไม่เป็นธรรมไปครึ่งหนึ่งแล้วอ่ะเอาความถือเนื้อถือตัวทิ้งไปไม่มีแก่ไม่มีใหม่ไม่มีเก่าไม่มีใหม่ไม่มีง้อไม่มีฉลาดไม่มีรวยไม่มีจนไม่มีตระกูลสูงตระกูลต่ำยกทิ้งไปหมดเรายกความถือเนื้อถือตัวออกเนี่ยความเป็นธรรมของเรามีแล้วครึ่งหนึ่ง แต่ธาตตัวนี้ยังอยู่ตัวนี้จะถ่วงกดถ่วงอยู่นั่นแหละทําให้ความเป็นธรรมไม่เกิดขึ้นเกิดแต่ความเป็นกิเลสกิริยาทางกายก็เป็นกิเลสแสดงออกกิริยาทางวาจา ก, ก็เป็นกิเลสแสดงออกมันมาจากใจนั่นแหละเนื่องจากใจมันมีกิเลสอยู่ในนั้นมันพยายามออกมาให้ได้ตามตามใจหวังของมันนั่นแหละเนี่ยถ้า เอาความถือเนื้อถือตัวออกทำให้เรามีธรรมะรองพื้นอยู่แล้วอย่างน้อยห้าสิบเปอร์เซ็นจากนอ ก, นอกจากนั้นเราก็ทำเอาไปทาเอาก็ไปการไม่ถือเนื้อถือตัวเนี่ยทำให้เราได้รับความสุขความสุขเกิดขึ้นจากการไม่ถือเนื้อถือตัวนี่อยูร่รูที่เจ้าท่านทรงอุทา น, นไม่รูอ อัตสมิมาณสวินโยอะไรที่ท่านอุทานนั่นน่ะตอนพระองค์เสวยวิมุติสุขน่ะไปดูคําอุทานของพระองค์การนําอัตสมิมาณคือการถือเนื้อถือตัวนี่แหละออกเป็นสุขในโลกการนําความถือเนื้อถือตัวออกเป็นสุขในโลกทําไมเราถึงถือเนื้อถือตัวเพราะเราไม่ทันมันะกิเลสในใจมันรุนแรง การฝึกปรือของเราในยังอ่อนสติไม่กล้าปัญญาไม่แข็งไม่ทันมันไม่ทันกิเลสปุ๊บปั๊บกิเลสอยู่ปากคอกออกมาแล้วปุ๊บปั๊บมันปลวกมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ฝึกถ้าเราไม่ฝึกไม่ทันมันดอกมันมาโดยธรรมชาติอัตโนมัติของมันแหละแต่ธรรมะที่จะเกิดขึ้นมาได้เราต้องพยุงเราต้องชุดต้องลากกิเลสไม่ต้องชุดต้องลากเลยแหละมันเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาติ มันเกิดขึ้นเองเพราะข้างในมันมีแต่กิเลสเต็มแปร่มันก็ทะลักออกมาไหลออกมาร้อนออกมาการนำความถือเนื้อถือตัวออกนั่นะเป็นสุขในโลกเป็นธรรมในโลกการถือเนื้อถือตัวเดี๋ยวนี้กิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดที่มีอยู่ในหัวใจของเรา มันเกิดขึ้นจากการถือเนื้อถือตัวของเราเนี่ยแหละถือผิดผิดสำคัญผิดผิดเข้าใจผิดผิดแล้วก็ถือผิดผิดแล้วก็แบกกองทุกกองโทษมาทับถมหัวใจของตัวเองไม่ได้คำนึงว่าเราจะได้รับความทุกเป็นทุ ก, เ ป, ทกเป็นโทษจากมันไม่ได้คำนึงพร้อมเพียงกันทำพร้อมเพียงกันเลิก พร้อมเพียงกันช่วยกันทําธุรกิจของสงฆ์คำว่าของสงฆ์ก็คือของหมูนั่นแหละหมูแปลว่าสงสงแปลว่ามูสังฆะแปลว่าหมูคนนั้นก็ช่วยคนนั้นก็ได้นั้นคนนี้ก็ได้นี่แป๊บเดียวก็เสร็จของสิบอย่างคนสิบคนคนนั้นจับนั้นคนนั้นจับ น, นั้นคนเสร็จแป๊บเดียวอของสิบอย่างคนสิบคนแต่ทําคนเดียวเนี่ยโอ้ แทนที่จะเสียเวลาหนึ่งนาทีเสียเวลาสิบนาทีแทนที่จะเสียเวลาหนึ่งชั่วโมงเสียเวลาสิบชั่วโมงเขีย ด, ดูสินี่คือความพร้อมเพียงกับความไม่พร้อมเพียงน้องตาท่านพูดเรื่อยๆเกี่ยวกับหมู่ท่านบอกว่าให้ทําตัวเหมือนอวัยวะเดียวกันเพื่ออาศัยความพร้อมเพรียงมีอะไรรู้ตัวทั่วพร้อมหมดเหมือนอวัยวะเดียวกันมันเหมือนอยังไงเราดูดิในกายของเราเนี่ย มีมดมาไตยุงมาตอมตรงไหนเนี่ยรู้ทันทีตอมข้างบนใบหน้าตรงหลังตรงคอตอมข้างล่างตรงหลังเท้าตรงไหนก็ตามเนี่ยมันไต่มันตอมปั๊บรู้ทันทีทำไมถึงรู้ทันทีเพราะมันเป็นอวัยวะเดียวกันกับตัวเราเนี่ยพวกเราอยู่ด้วยกันทุกคนก็ให้เหมือนอวัยวะเดียวกัน มีเรื่องเปลี่ยนแปลงมีเรื่องต้องจัดต้องทําให้เหมือนอวัยวะเดียวกันความรู้ตัวทั่วพราะความพร้อมเพียงความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขนะสุขาสังขสสะมื่อกีความพร้อมเพียงของหมู่ให้เกิดสุขอ่าถ้าตรงกันข้ามความพร้อมเพียงความไม่พร้อมเพรียงของหมู่ ให้เกิดอะไรให้เกิดทุกข์ s <S ความไม่พร้อมเพรียงของหมวยเกิดทุกข์มันจะจัดงานการอย่างใดอย่างหนึ่งหากเกิดความไม่พร้อมเพรียงคนที่รับภาระนั่นแหละทุกข์ให้เกิดทุกข์นอกจากทุกข์แล้วก็หนึ่งทุกข์สองทุกข์สามทุกข์ไอ้ผู้ไม่พร้อมเพรียงก็ทุกข์อีกความไม่พร้อมเพรียงของหมวยให้เกิดทุกข์ ความพร้อมเพรียงของหมู่ให้เกิดสุขสังเขปลว่าหมู่ความพร้อมเพรียงของหมู่ก็คือการช่วยเหลือกันงานหนักก็เป็นงานเบางานช้าก็เป็นงานเร็วงานยากยากก็เป็นงานง่ายงานหนักหนักก็สามารถช่วยกันพยุงหอบหิ้วกันคนลนิดคนลหนอยก็เป็นของเร็วนี่สิ่งเหล่านี้เป็นธรรมทั้งหมด คุณธรรมต่างๆเหล่านั้นเราก็ทำเอาบุญจากิริยากิริยาบุญให้เกิดความเป็นธรรมเราก็ทำเอาตั้งใจรักษาศินเอาดยด้วยตัวของเราเองตั้งใจทำประโยชน์สาธรรารณประโยชน์บาเพ็ญอัาบเพ็ญอัดอัทธาจาริยาคือบาเพ็ญประโยชน์ให้เกิดขึ้นในตนเนี่ยยังประโยชน์ให้เกิดความสุข กิริยากายไม่ดีก <your> um, um, uh ็เอาศินมากำกับก well ิริยาวาจาไม่ดีก็เอาสินมากำกับนี่ก็เป็นการสร้างสร้างสร้างศินให้เป็นอธิศินกิริยาจิตที่สงบสงัดไม่มีก็พยายามสร้างกิริยาให้เกิดความสงบสงัดให้เป็นอธิจิตที่เรียกว่าให้เกิดสมาธิให้เป็นอธิจิตจิตได้รับความสงบนี่ก็เป็นการฝึกธรรมให้เกิดขึ้นในภายใน ปัญญาสติไม่ค่อยกล้าปัญญาไม่ค่อยแข็งเราพยายามสร้างสติให้แน่นหนามัน่นคงหัดพิจารณาเอาสติที่มีจิตแน่วแน่มัน่นคงมาพิจารณาให้เกิดความรอบรู้ความรอบรู้นั่นแหละที่เรียกว่าปัญญาปัญญาแปลว่าความรอบรู้รู้รอบรอบรู้ความรอบรู้รรรรรรรรจนสามารถรู้อันไหนเป็นกิเลสอันไหนเป็นธรรมอันไหนเป็นเหตุให้ ให้เกิดความทุกข์เป็นเหตุชั่วร้ายกิเลสตัณหาเจริญ ง, งอกเงยในหัวใจ้วาพยายามละพยายามลดพยายามเว้นคือการสร้างคุณธรรมทำเรื่อยๆจนให้จิตจนจิตของเราเกิดความรอบรู้เกิดปัญญาเกิดปัญญายานเกิดวิปัสสนาญาณใอห้าสิบที่เราเคย พูดเอาไว้ห้าสิบที่ยังเหลือมันก็ค่อยๆเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นมาเต็มขึ้นมาจากการที่เราเปิดเปิดอะไรล่ะเปิดฝาตุ่มเปิดฝาองค์หรือเปิดฝาพาชนะคือหัวใจของเราเนี่ยการเปิดฝาในทีนี้ก็เหมือนอย่างที่ว่านั่นแหละคือการไม่ถือเนื้อถือตัวเนี่ยก็ถือว่าเปิดฝาหัวใจของเราเนี่ยเพื่อรับอัดรับธรรมการที่เราเปิดฝาเอาไว้เนี่ย การไม่ถือเนื้อถือตัวอย่างเดียวถือว่าเรามีธรรมะรองพื้นเครึ่งหนึ่งแล้วจแล้ว่าบุญกุศลที่เกิดขึ้นตกลงไปเรื่อยเปิดที่ไร้ทำที่ไรตกลงไปทําแล้วตกลงไปก็จะเต็มขึ้นได้อย่างรวดเร็วการสร้างมรรคสร้างผลให้เกิดขึ้นในหัวใจก็เหมือนกับเราเรียบเร่งขวนขวายสร้างตั้งใจขวนขวายสร้างแล้วก็ทาสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้น คิดไม่เคยได้รับความสงบให้ได้รับความสงบอืจะได้รับความสงบได้มันจะต้องอาศัยความอุตสาหะความขยันความหมั่นความเพียรกำหนดจดจ่อภายในหัวใจของเราอย่างต่อเนื่องไม่ปล่อยทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนไม่ปล่อยกำหนดจดจ่ออยู่เรื่อยมีธระปะปังทำนู่นทำนี่กำหนดจดจ่อไม่ปล่อยไม่ปล่อยกิเลสให้มันสวมรอย พานึกพาคิดเรื่อยเปื่อยไป ม, มันเป็นการเปิดใจรับกุศลอกุศลที่มันจะพึงเกิดมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ในเมื่อเรามีใจดวงเดียวเนี่ยเราเอาใจดวงนี้มาเปิดรับกุศลแล้วอกุศลมันเกิดไม่ได้แต่จะต้องมีคนกากับมีตัวกากับคือสติธรรมปัญญาธรรมกากับอยู่ในนั้นความเพียรตั้งใจประคับประคองเอาไว้ ความอุสาพยายามความภาคความเพียรประคับประคองประคับประคองเอาไว้อุ่นเอาไว้ดึงเอาไว้รั้งเอาไว้บังคับเอาไว้ด้วยความขยันด้วยความมันความเพียรผลรายได้ก็ตกเป็นของเราตกเข้าไปในภาชนะคือใจตกไปเรื่อยตกไปเรื่อยตกไปเรื่อยตกไปเรืเ่อย อัดทำก็เพิ่มขึ ida, ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยความสว่างในหัวใจก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเพราะเกิดความรอบรู้อเกิดความรอบรู้ผลก็จะเริ่มปรากฏในหัวใจความสงบไม่เคยมีก็จะมีขึ้นสงบมากสงบน้อยผลอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นมากเกิดขึ้นน้อยปัญญามาคลี่คลายบางสิ่งบางอย่างคือสังขารในหัวใจของเราเราก็เห็นมากเห็นน้อยเห็นเรื่อเห็นเรื่อเห็นเพื่อ เาใช้ความอุตสาห์พยายามอย่างนี้จิตใจของเราก็เต็มตื้นขึ้นไปอย่างรวดเร็วไปเรื่อยไปเรื่อยไเรืยไปเรื่อยไได้ที่มันก็ได้ชั้นได้ภูมิไปมาใช้ความอุตสาห์ใช้ความพยายามอยู่อย่างนี้สิ่งใดที่ถูกต้องดีงามให้เราตั้งใจรับสิ่งเหล่านั้น ทางใดที่เหนือกว่าครูบาอจารย์ท่านให้เดินทางนั้นทางใดที่เลิศกว่ า, ว า, ว า, รรวาท่านให้เดินทางนั้นทางใดที่ประเสริฐกว่าสูงกว่าเลิศกว่าเป็นธรรมกว่าท่านให้เดินทางนั้นเราตั้งใจอยู่อย่างนี้แล้วเราสามารถจะพัฒนาตัวเราไปได้แต่ถ้าอยู่อย่างไม่มีเข็มทิศแหละอยู่แบบหมอกอยู่วันคืนล่วงไป มาประเมินผลดูแล้วโอ้ไม่มีอะไรไม่ได้อะไรเลยแบบนั้นเราก็บกพร่องไปเรื่อยบกพร่องไปเรื่อยบกพร่องไปเรื่อยขอวัดส่วนตัวส่วนรวมส่วนครูบาอาจารย์เนี่ยมีความจําเป็นเมื่อไหร่ทําเลยมีความพร้อมเมื่อไหร่มีความจําเป็นเมื่อไหร่ทําเลยปล่อยไม่ได้ปล่อยก็คือบกพร่อง การถือเนื้อถือตัวจนเป็นเหตุทะเลาะเบาะแวง้งเป็นเหตุผิดข้องมองใจกันเนยเป็นเรื่องไม่ดีเป็นเรื่องลุกลามเป็นไฟไหม้ทั้งสองฝ่ายนั่นแหละเป็นเรื่องไม่ดีเราปล่อยกิริยาเหล่านี้ให้เกิดขึ้นคือเราลุกอำนาจของกิเลสเราเปิดช่องให้กับมันเราคิดว่าเราทํา ไปตามที่เรานึกเราคิดแล้วเราจะสะใจเราจะสาสม่วยใจไม่ใช่เป็นการซ้ําเติมตัวเองเป็นการซ้ําเติมตัวเองไม่มีใครคิดตามอํานาจของกิเลสแล้วจะทําให้คนนั้นเนี่ยพ้นทุกข์พ้นไปได้มีจะได้รับความทุกข์เพิ่มเติมไม่จบไม่สิน้น เป็นการต่อเรื่องต่อราวต่อไปไม่ไม่หยุดไม่หย่อนมีสุภาษิตในในชาดกท่านพูดว่ารักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อรักยาวให้บันรักสั้นให้ต่อ มีปุโรหิตคนหนึ่งถูกจับทำโทษถูกถูกพระเจ้าแผ่นดินอีกฝ่ายหนึ่งจับทำโทษจับทำโทษแต่ในขณะเดียวกันเขาแห่ไปเพื่อที่จะทำประหารชีวิตก็มีลูกชายของตัวเองตามไปด้วยแต่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นลูกชาย ปรหิตคนนี้ก็เลยพูดให้เป็นในๆให้กับลูกของตัวเองคนเดียวก็นั้นนะฟังออกคนอื่นฟังไม่ออกอลูกเอ้ยรักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อมันเป็นคําคมมันเป็นสุภาษิตอืมความหมายก็คือว่าอ่าในเมื่อพ่อถูกฆ่าแล้วถ้าเผื่อลูกเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นเรื่องพื่อจะตอก่อนแก้แค้นนี่ ความเป็นมิตรสัมพันธ์ของเราก็จะขาดหายไปมีความสั้นจุดจู่มีความสั้นในเรื่องของทีคาวุกุ ม, มาเนี่มันมีท่านพูดไว้ในชาดกทีคาวุกุ ม, ม, าา ม, ม, าา ม, มานเนี่ยทีคารุกุมานเนี่ยทีคาวุกุมารเป็นลูกของปุโรหิตคนนั้นถูกพระเจ้าพระมทัตจับพ่อไปไปฆ่าแล้วก็ ล там, ูกภูรหิตคนนี้ก็เลยพยายามปลอมแปลงเล็ดลอบไปจนได้เป็นเสนาที่อยู่ใกล้มีวันหนึ่งไปประพาสป่าอไปประพาสป่าพอดีพาพระเถรวาพระพระพรมเจ้าพระเจ้าพรทมทัตพาไปล่าดนึงะไล่ไปไล่มาไล่มาไล่ไปไล่ไปไล่มาไล่มาไล่ไปเนกนั้นหายไปไหนหมดมันลูกวิ่งตามพระเจ้าแผ่นดินไปสองต่อสองนี่แหละไป ลูกของปุโรหิตคนนั้นนะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยแต่พ่อเนี่ยถูกก็เอาไปฆ่าแล้วถูกเอาไปฆ่าแล้วก็เลยด้วยความเหน็ดเหนื่อยพระเจ้าพมาทัต ก, ก็เลยหลับไปพักอยู่ใต้ร่มไม้ร่มหนึ่งหลับหลับอยู่หลับอยู่บนตักของของที่วุกุ ม, มานั่นแหละหลับอยู่บนตักทีนี้ทางนี้ก็นึกถึงเรื่องเก่า คือคล้ายๆว่าศัตรูอยู่ในอุ้งมือว่า ง, งั้นเถอะพระเจ้าพรทมทันเคยฆ่าพ่อของตัวเองเอเอไม่ไม่ใช่ผรโลหิตเป็นพระเจ้าแผ่นดินเหมือนกันแต่เป็นพระเจ้าแผ่นดินคนละเมืองที่เขาไปจับมาแล้วก็ฆ่าพ่อทิ้งเ ห, เหลือแต่ลูกลูกก็ปลอมแปลงไปจนได้เป็นทำงานอยู่ในราชสำนักที่ในขณะที่พระเจ้าพรทธมทันหลับอยู่นั่นละ่ะ ที่ขบุกบกมากันนึกถึงขึ้นได้โอ้นี่ศัตรูของเราศัตรูตัวร้การ้อยเปอร์เซ็นตผู้ฆ่าพ่อของเราชัดประคันขึ้นมาเพราะอยู่ในอุ้งมือแล้วหลับอยู่บนตักพระเจ้าปรมทัดหลับอยู่บนตักก็นึกถึงคําพ่อรักยาวให้บันรักสั้นให้โตรักยาวให้บันหมายว่าเรื่องเก่าที่เคยมีนั้นให้ตัด ถ้ารักมิตรภาพไปยาวๆถ้าให้ตัดรักยาวให้ตัดรักยาวให้บั่นก็ว่าว่าให้ตัดให้ตัดตเรื่องราวเหล่านั้นคือมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรอพอข้าทิ้งไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์เลยรักยาวให้บั่นตัดคือให้ตัดเรื่องเก่ารักมิตรภาพที่ยืดยาวด้วยกันต่อไปให้ตัดเรื่องเก่าๆที่ไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรนะทิ้ง รักสัให้ต่อถ้าต้องการมิตรภาพสั้นจุดจู่ตัดเดี๋ยวนี้ข่าเดี๋ยวนี้ก็ตัดเดี๋ยวนี้ขาดเดี๋ยวนี้ให้ต่อเขาว่าให้นึกถึงเรื่องเก่าทารักสั้นให้ต่อทีเราจะต้องการมิตรภาพยาวหรือต้องการมิตรภาพสั้นที่เขาอุากุมานระลึกได้ในสุภาวิสิทีิเข้าใจในที่สุดก็เลยไม่ไม่ไม่ทำลายไม่ฆ่า ไม่ฆ่าพระเจ้ า, มมาพมัททัตเพราะหลังจากนั้นแล้วก็เลยมาแสดงตนให้ทราบว่านี่แหละคือลูกของพระเจ้าเปนดินองค์นั้น่ะที่ถูกพระเจ้าพมททัตฆ่าพระเจ้าพมททัตเลยต้องได้ขอชีวิตต่อทีขาวุกุมารร้องขอชีวิตอ่าร้องขอชีวิตทีนี้ด้วยความรักยาวให้บั่นของทีขาวุกุมารก็เลยบกอก ข่าพระองค์ให้ชีวิตพระองค์แต่ในขณะเดียวกันก็ขอมอบตัวมอบตัวเองให้อยู่ในการดูแลปกป้องคุ้มครองของพระ้าพ ม, มาทธะ ด, ด้วยนี่คือรักยาวให้บัน่นเรื่องเก่านี้จะตัดทิ้งหมดจะตัดออกหมดตัดทิ้งหมดตัดออกหมดรักยาวให้บัน่นรักสั้นให้ต่อมันเป็นกติคติสำหรับเราเกิดมาในโลกเขาก็มีกิเลสเราก็มีกิเลส มีเรื่องข้องมองใจเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องเก่าเราตัดรักยาวรักมิตรภาพรักหมูรักเพื่อนรักพวกรักพ้องรักความเป็นมนุษย์ด้วยกันตัดเรื่องที่เลวร้ายออกรักยาวให้บันแต่ถ้าเราต้องการขาดกันทารักสั้นให้ต่อนี่สภาษะิท์มันกลับกันทารักมิตรภาพที่สั้นๆให้ต่อ คือเรื่องราวเก่าๆมานึกมากลุนมาคิดเนี่ยก็เหมือนอย่างบางคนไปนึกไปคิดจนเกิดอาฆาตจนเกิดพยาบาทคําว่าอาฆาตก็คือหมายจะเอาชีวิตนั่นแหละพยาบาทอาฆาตพยาบาทพวกพยาบาทปองร้ายพวกอาฆาตพยาบา ท, าบาทนี่คือเครียดไม่หยุดเครียดไม่จบทั้งๆ ท, ที่ทําไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนี่ถ้าเราหลวมตัวให้กับ รู้อำนาจให้กับกิเลสตัวนี้แต่กิเลสมันจะกรีมยิ้มย่องในนั้นแหละมันว่ามันฉลาดมันเก่งมันฉลาดมันเก่งทั้งทั้ที่มันโง่เต็มร้อยอยู่นั้นอ่ะมันก็มันก็โออายมันฉลาดมันเก่งมันฉลาดมันเก่งจะเอาให้สาสมหัวใจเราดูให้ดีกิเลสตัวนี้เรารักมิตรภาพเรารักศีลเรารักธรรมเรารักสุขเราเกลียดทุกข์ เราต้องเล่าเว็นสิ่งเหล่านี้ให้หา่างไกลสิ่งเหล่านี้ไม่เคยให้คุณใครให้แต่โทษการตั้งใจละสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยข้อปฏิบัติของนักบําเพ็ญภาวนาด้วยแล้วนี่แหละคือตะปาธรรมตะปธรรมตะปะธรรมตปะปาธรร ม, รรมสลหรับแพดเผา เป็นตปะปรรมสลับแผลเผาแผลเผากิเลสทั้งหลายเหล่านั้หมดไปจากหวัวใจเราตั้งตัวได้เรามีธรรมเป็นของตัวเองบริหารธรรมด้วยตัวของตัวเราเองจิตใจของเราก็เป็นอิสระจากกิเลสตั้งตัวยืนโรงอยู่ด้วยสติด้วยสัมผัสัญญะด้วยปัญญาที่เป็นธรรมธรรมก็ปฏจะเจริญงอกเงยในหวัวใจของเรา สิ่งที่จะเร่าร้อนจิตไม่ให้จิตของเราได้รับความสงบได้รับแต่ความวุ่นวายด้วยเหตุที่เราระมัดระวังไม่ก่อเหตุเพศภัยต่างๆเหล่นานั้เกิดขึ้นในหัวใจหัวใจของเราก็พร้อมที่จะพร้อมที่จะสงบพร้อมที่จะระ ง, งับเราต้องการให้สงบมันก็พร้อมที่จะสงบเพราะปกติใจมันอยากสงบอยู่แล้วแต่เราไม่เคยย้อนมาไม่เคยพิจารณาไม่เคย ตะล่อมตีตัวให้ฝ่าวงล้อมกิเลสออกมามีแต่เสริมมันเรื่อยเสริมมันเรื่อยเสริ ม, มเรื่อยจนมันได้ใจหลวมตัวแล้วก็ลืมตัวให้กับมันมันอยากสงบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านจึงให้ภาวนาให้สงบภาวนาบทธรรมนั่นแหละใจมันถึงจะได้สงบตราบใดปล่อยให้มันจูนจ้านไปกับวัตถุกามทั้งหลายทั้งปวง ใจจะสงบไม่ได้มันสงบไม่ได้ดอกอโดยเหตุที่ใจไปวุ่นคล่องในเรื่องสิ่งที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นอะไรที่ผ่านผ่านมามันสงบไม่ได้มันสงบได้มันห่างออกจากกามคือมันสงบสิ่งเหล่านี้สงบจากเรื่องราวของรูปของเสียงของกลิ่นของรสของสัมผัสทั้งที่เป็นปัจจุบันทั้งที่เป็น สัญญาอารมณ์ที่ล่วงไปแล้วนะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ไม่ไม่กลับมาก่อควรจิตของตัวเองนะเพราะมีสติกำกับอยู่กับบทธรรมเอาใจของเรามาอยู่กับบทธรรมไม่เอาไปอยู่กับบทกิเลสนะเอาไปอยู่กับบทกิเลสที่ไรเนี่ยเดี๋ยวก็ได้รับความทุกข์เอาไปอยู่ที่ไรก็ได้รับความทุกข์นะ คิดถึงเรื่องคนที่เคยผิดกันยิ่งคิดก็ยิ่งเกลียดยิ่งคิดก็ยิ่งเดือดดาลยิ่งคิดก็ยิ่งอาฆาตก็ยิ่งพยาบาทแน่นั่นเรื่องไม่ดีถ้านให้เอาออกเอาทิ้งให้คิดถึงถึงแต่เรื่องดีๆถ้าเป็นปฏิปักษ์กันก็ให้คิดถึงสิ่งที่ตรงข้ามคิดจะเรื่องสิ่งที่เป็นเรื่องดีของเขาของเราเขามีดีองั้นก็ามีดีงั้นหรือไม่ต้องคิดแหละอ่ะ ให้อยู่จิตอยู่กับบทธรรมอย่างเดียวไม่ปล่อยจิตให้ล่องลอยไปหมกมุ่นกับสิ่งต่างๆแล้วนั้นจนจิตอยู่กับอารมณ์มันเดียวจิตก็จะเริ่มสงบมีความสงบมีความปีติมีความอิ่มเอิบมีความโดดดื่มจากหัวใจที่ได้รับความสงบนั้นกิเลสมันไม่แย่จิตไม่ได้สัญญามันสวมรอยมานแย่หัวใจของเราไม่ได้ กิเลสที่มันจะอมสัญญามาสัญญาที่มันจะอมกิเลสมามาก่อกวนใจของเราเนี่ยมันอมมาไม่ได้เพราะมันมีสติมีสัมมิชญญะมีปัญญาเห็นเท่าทันมันเกิดขึ้นไม่ได้มันก็สงบได้สงบมากสงบน้อยเป็นครั้งเป็นคราวสงบเรื่อยเรื่อยสงบเรื่อยเก็เป็นกำลังเพิ่มขึ้นแล้วก็ย้อนไปพิจารณามันด้วยย้อนไปพิจารณาจิตนั่นแหละย้อนไปพิจารณาตัวหลงนั่น มีราคะเกิดขึ้นก็นย้อนไปพิจารณาข้อปฏิบัติปัจจุบันทันด่วนมีราคาเราะเกิดขึ้นก็นย้อนไปพิจารณามันมีโท้อสะเกิดขึ้นก็ย้อนไปพิจารณามันหาเหตุหาปัจจัยให้กับมันเพราะเราไม่ย้อนไปพิจารณานั้นแหละมีโมหะทั้งดุนครอบงําอยูนะ่เราก็เลยไม่รู้ไม่รู้ว่าสาเหตุใดทําให้เราหลวมตัวให้กับมัน สาเหตุใดหลงทำให้เราคิดนึกจนเครียดแค้นชิงชังสาเหตุใดเป็นเหตุให้เราต้องทำกิริยาไม่ดีพูดไม่ดีแสดงกิริยาไม่ดีออกมาไม่รู้จักไม่เคยย้อนมาดูเราย้อนมาดูแล้วเราจะเห็นกนบายมายาที่เราหลวมตัวให้กับกิเลสมาแสดงตัวออกมาให้เราเห็นสักหน่อยมาตกพลึกออกไปเป็นวิบากกรรมเป็นอกุศลวิบากนฮะ ปล่ห้แสดงเรื่อยๆมันตกไปเป็นอกุศลวิบากจากหนึ่งเป็นสองจากสองเป็นสี่จากสี่เป็นแปดจากแปดเป็นสิบหก็เพิ่มพูณทวีคูณไปเรื่อยแต่ถ้าตรงกันข้ามเราสร้างกุศลวิบากพยายามหักห้ามสิ่งต่างๆเหล่านี้พยายามคิดนึกสิ่งที่ไม่ให้อกุศลเกิดขึ้นในหัวใจมันก็บวกเหมือนกันบวกหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่บวกสี่เป็นแปดเมื่อกุศลมีมากกุศลวิบากก็มีมาก เมื่อข้อสรวิบากมีมากธรรมะในใจของเรามีมากกําลังของกิเลสที่มีในยหัวใจของเราอยู่ในหัวใจของเราคนน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปถึงมันจะเท่าเดิมเแต่มันก็ไม่มีกําลังเพราะทั้งนี้เรามีกําลังมากกว่าอถึงมันจะเท่าเดิมในเมื่อทั้งนี้มีกําลังมากกว่ามันก็ทําอะไรเราไม่ได้แต่เราเผลอเมื่มอไหร่แหละมันเล่นงานเมื่อนั้นท่านจึงให้จับ ไปต่อเนื่องไม่ปล่อยปล่อยเมื่อไรแล้เผลอแล้วมันสวมรอยมันเล่นงานแล้วเป็นธรรมคู่แข่งขันหลวงตาท่านเขียนหนังสือธรรมะคู่แข่งขันเนี่ยกิเลสกับธรรมเมืนแข่งขันไปเรื่อยแข่งขันไปเรื่อยโคงสุดท้ายของมันตรงไหนนูมันสูงมากอรหัตมรรมนั่นนะพอไปถึงนู้นแหละมันจะดับดับที่นู้นนหะคู่แข่งขันหัวใจไม่มีแล้วตัวนั้นดับหมดไปแล้วไม่มีหัวใจไม่มีแล้วในหัวใจมี สิ่งเดียวไม่ต้องแข่งขันกับใครกับอะไรทำลายโมหะความหลงอวิชชาความไม่รู้ความมืดความบอดสนิทของหัวใจหัวใจก็เจิดจ้าด้วยอํานาจของธรรมหมดคู่แข่งนี่แหละทำแท่งเดียวหลวงตาธรรมแท่งเดียวเอโกธรรมเมาทำแท่งเดียว ทำหนึ่งเดียวไม่เกี่ยวกับสิ่งใดไม่เป็นสองกับสิ่งใดสิ่งที่เคยมีฤทธิ์มีเดชมีอำนาจมีบทมีบาตมากี่พบกี่ชาติกี่กะพริกันน่ะเราแข่งชนะมันแล้วมันตามเราไม่ทันแล้วหมดคู่แข่งแล้วมันตายแล้วตายได้เพราะเราย้อนไปเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันรู้เท่าทันเหตุเท่าทันปัจจัยของมันทำขับเขี้ยวอยู่ตรงนั้นเละ จนปัญญายาณเกิดขึ้นจนวิปัสนาญาณเกิดขึ้นถึงจะคงที่เคงจะถึงจะตายตัวถ้ายังไม่ถึงนั้นยังไม่คงที่ยังไม่ตายตัวยังจะต้องประครับประคองดูแลไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปจนจะถึงที่สุดมีเป็นเป้าประสงค์ของพวกเราด้วยกันทุกคนเราตั้งไว้ต่ำๆแล้วก็ไปไม่ถึงไหนแล้ว แล้วก็ตั้งไว้สูงสูงพยายามฟิตตัวเองไปให้ไปตามนั้นการกระทำที่ต่อเนื่องเป็นเหตุทำให้ผลปรากฏได้รวดเร็วทำาติดๆขดๆติดๆขาดๆติดๆขาดๆก็เหมือนอย่างเขาถูไฟนะถูไม้ไผ่ให้เกิดไฟเนี่ยถูหยุดถูหยุดถูหยุดไฟเกิดไม่ได้ ถูถูถูจนเกิดควันเกิดขม่าวดำๆเกิดไฟแดงๆกัดก้อนถ่านนเอาไปใส่ขี B ้ฝอยเป่าคุกออกเหมือนเขาทาไฟนี่นี่ได้ไฟใช้ธรรมะที่จะเพิ่งเกิดขึ้นในหัวใจของเราเช่นเดียวกันเนี่ยทำทำหยุดทําหยุดทํายุดทำหยุดเหมือนกับถูไฟนั่นแหละถูหยุดถูหยุดถูหยุดไฟจะติดกันให้เป็นเปลวก็ติดไม่ได้ที่จะได้ไฟใช้ก็ไม่ได้ใช้ ธรรมะที่จะเพึ่งบังเกิดขึ้นในหัวใจก็เกิดไม่ได้นเมื่อเราทําหยุดทําหยุดทําหยุดเวลาเราหยุดอากุศลวิบากก็แทรกแทรกบ้างทีแรกก็แทร ก, กบ้า ง, าง น, นักเข้าปลา่อ ย, ล, ยละเลยก็แทรกเรื่อยๆแทรกบ่อยๆแทรกหนึองเนืองบางทีก็ปล่อยมันจนแทรกเป็นพืชเป็นพื้นไปหมดหมันก็สกรา้างอกุศลวิบากให้กับตัวมัน นี่แหละธรรมะสองอย่างแข่งขันกันไปเรื่อยๆอะไรคือความดีแม่น้อยเมื่อมีโอกาสให้ทําอย่าเอาหูไปนายาเอาตาไปไรให้เป็นคนขวนขวายรีบเร่งขวนขวายจัดสร้างทำให้กับตัวเองอะไรคือความดีเล็กน้อยก็ตามทําอย่ามองเห็นว่าเป็นของเล็กน้อย แล้วก็ทอดทุระไม่สนใจการสร้างนิสัยให้เป็นคนละเอียดรอบคอบเป็นคนเอาภาระตัวเองเป็นคนเอาภาระหมู่เพื่อนเป็นคนเอาภาระครูบาอาจารย์ต้องสังสมอบรมเอาถ้าเราไม่ตั้งใจสังสมอบรมไม่เกิดมันไม่เกิดดอกอยู่แบบคนอยู่แบบแบบคนดิบอยู่นั่นแหละอยู่แบบคนดิบดิบอยู่นั่นแหละ ไม่ได้ไ ม, ไม่ไม่ตั้งใจที่จะขัดจะเกล่าจะดัดแปลงจะฝึกฝนอบรมไม่ตั้งใจที่จะฝึกจะปลือตัวเองน่ยอันไหนเป็นเรื่องความอยากของกิเลสแล้วก็รวมให้มันอันไหนเป็นเรื่องความอยากของกิเลสแล้วก็รวมให้มันในสุก็อยู่ในอุ้งมือของมันเ้าก็โทษแหละทุกข์แหละตอนนี้ทําไมต้องเป็นเราทําไมต้องเป็นเราเนี่ยเมื่อก่อนไม่เคยคิด เวลา ม, มันมัดคอแล้วถึงได้คิดทําไมต้องเป็นเราต้องเป็นเราก็ใครทำํำคนนั้นก็ได้เราทําก็เราได้ยอมรับบาปผาบกรรมไปตามบุญตามกรรมเราไม่รับบาปผาบกรรมเลยเรารับแต่บุญกรรมก็แล้วกันอะไรที่เป็นบุญให้จัดให้สร้างให้ทาให้ขวนขวายขยันอยากขี้เกียจรวมไปถึงขยันดําบริในจิต พุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธมีสติยับยับยับยยบยั บ, ยบรู้สึกตัวทุกขณะในปัจจุบันนั่นยับยับจะยืนก็นึกคิดบริกรรมย่างงั้นจะเดินก็นึกคิดบริกรรมอย่างงั้ น, น, น, รร ม, น, นมันเป็นการอยู่กับจิตของตัวเองตลอดอ่าไม่ปล่อยจิตแต่ถ้าปล่อยเปลืย่ยเปล่าไม่มีข้อปฏิบัติด้วยแล้วเนี่ยกลียดชอบมากๆหัวเราะร่าอะไรแหละ เสร็จแล้วกูเสร็จกูแล้วเสร็จกูแล้วอยู่ในเมื่องเงื้อ ม, มือของกูแล้วกิเลกก็คือตัวมารก็คือพญามารดีๆนี่แหละมันชอบกีดชอบขวางมันไปขัดไปขวางไปหมดแหละนี่แหละพญามารมารมันคอยกีดคอยขวางให้เราตั้งตัวนี้เป็นศัตรูอยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจไม่อยู่ที่อื่นศัตรูตัวที่ร้ายกาจที่สุดอยู่ที่จิต อยู่ในใจของเรานี่ยไม่ได้อยู่ที่อื่นเพราะฉะนั้นใครชนะตัวเองเลิศอัตตังหาเวอตตังอัตตาหาเวขินังสยโยการชนะตัวเองนั่นแหละดีเลิศประเสริฐที่สุดชนะตัวเองก็คือชนะกิเลสในตัวเองนั่นแหละไม่ใช่ชนะตัวเองแล้วว่าฆ่าตัวเองตายแล้วถือว่าชนะตัวเองไม่ใช่ ร่างกายนี้มันไม่ใช่กิเลสกิเลสเกิดขึ้นที่ใจกิเลสอยู่ที่ใจกิเลสไม่ได้อยู่ที่กาย Istanbul, กายนี้เป็นชีวิตที่เกิดขึ้นจากผลผลของกิเลสนี่ร่างกายของเราของท่านเกิดขึ้นจากผลผลของกิเลสกิเลสมันผลิตขึ้นมาความนึกความคิดที่เป็นบาบนั่นแหละมันเป็นเหตุสร้างกิเลสไม่หยุดไม่หยอ่อนไม่จบไม่สิน้น เสริมเลยเสริมเลยไม่จบไม่สิ้นวัตตวันวัตตะสงสารนี่ยืดยาวไปไม่มีจุดจบเหมือนเหมือนขอบกระดองไม่มีที่จบไม่มีที่เริ่มต้นไม่มีที่สุดนี่ลุงตาท่านชอบเอามาเปรียบเทียบมันมดแดงไตขอบกระดองมรู้ตรงไหนเป็นเบื้องตน้นเบื้องปลายตายไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไม่มีไม่มีที่สุดมันกลมอยู่ยงั่นแหละวัตตะวันของผู้ไม่ตั้งใจฝึกฝนอบรม รักษาศีลปฏิบัติธรรมยืดยาวมากกว่านั้นอีกยามากกว่าวงกลมกิเลสกรรมวิบากท่านจึงให้ตัดกิเลสวิบากกรรมมันมันก็จะกลายเป็นกิริยากรรมไปสักแต่ว่าเป็นกิริยากรรมทั้งหลายที่จะพาเราไปปฏิสนธิมันไม่มีวิบากกรรมที่ทําให้เราไปปฏิสนธิที่นู่นที่นี่ไม่มี กรรมมันให้ผลยังไงกรรมกรรมมันให้ผลเนื่องจากว่าจิตของเรามีตัณหามีอุปาทานตราบดใดที่เรายังมีตัณหายังมีอุปาทานอยู่ในใจใจของเรากลายเป็นพาชนะเก็บบาปเก็บกรรมตัณหาอุปาทานในใจของเรานะตัวนี้แหละจะเป็นตัวพาชนะเก็บบาปเก็บกรรมของเราเอง พระอริยเจ้าท่านตัดตัณหาตัดอุปาทานออกจากหัวใจได้ท่านไม่มีวิบากกรรมท่านไม่มีวิบากกรรมหมดอุปาทานก็หมดภพหมดภพก็หมดชาติหมดเกิดหมดแก่หมดเจ็บหมดตายไม่เกิดแล้วไม่ไ ม, มีอะไรมาแก่มาเจ็บมาตายนี่เป็นเหตุให้เก็บกรรมพระอริยเจ้าท่านไม่มีไม่มีวิบากกรรม กิริยาทางกายทางวาจาทางจิตที่พระอริยเจ้าท่านนึกท่านคิดท่านแสดงออกท่านพูดท่านทำอะไรก็ตามไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานไปเป็นเจ้าขี้เจ้าการไปเป็นภายชนะมาคอยเก็บบาปเก็บกรรมนั้นๆเพราะฉะนั้นกรรมมันให้ผลได้ยังไงกรรมของเราของท่านให้ผลได้ เพราะจิตของเรามีตัณหามีอุปาทานใครทําตัณหาอุปาทานให้หมดไปสิ้นจากหัวใจได้คนนั้นไม่มีภาชนะเก็บบาปเก็บกรรมบุญก็ไม่เก็บบาปก็ไม่เก็บกลายเป็นปล่อยฟรีไปเลยไม่มีไม่มีอะไรมาขัดมาข้องเป็นธรรมเป็นธรรมทั้งดุนเป็นธรรมทั้งแท่งที่เรามีบาปมีกรรมเป็นวิบากรรม ก็เพราะว่าเรามีตันหายังมีอุปาทานท่านทำท่านสักทตว่าเป็นกิริยาพระอรหันต์ท่านทําอะไรสักทตว่าเป็นกิริยาไ ม, ม่มีกรรมท่านพ like ูดก็สักแตว่าเป็นกิริยาพูดเฉยๆท่านท่านทำไม้ทำมือทำเตียนทําอะไรก็สักทตว่าเป็นกิริยาเฉยๆท่านนึกท่านท่านคิดอยู่ข้างในในหัวใจก็สักทตว่าเป็นกิริยาเฉยๆไม่มีไม่มีกรรมไม่มีพูดที่จะมารับกรรมเพราะ อัตตาตัวตนไม่มีปล่อยวางหมดทุกอย่างเหลือเป็นธรรมชาติทั้งหมดไม่มีอัตตาไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีพาชนะรับบาปรับกรรมไม่มีตัณนะหาไม่มีอุ ป, ปาทานถือว่าหมดภาชนะทําลายพาชนะเพราะอยพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงอุททานอ่าตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเจ้าอาวิชชานี่แหละเป็นผู้ทําเรือนให้เรา ทำให้เราต้องได้เกิดไม่จบไม่สิ้นเน่ยตอนนี้เรารู้หมดแล้วเราทํำลายยอดกรอนของเรือนทั้งหลายที่ตันหาปาธามันทําให้เราหมดสิ้นแล้วอ่าไปรือ้อกรอนคําว่ากรอนก็คือที่สมวนทรมุงหญ้าเนี่ยมันมีกรอนอะไปดึงยอดกรอนก็มันออกเหมือนว่าร่วงทิ้งหมด ที่จะมุงจะบังเป็นลังคาเป็นภพเป็นชาติเป็นอะไรไม่มี เ, เรื่องออกหมดหรือตันหาหรืออุปาทานอุปาทานก็คือยึดเอายึดเอาด้วยอำนาจของตันหายึดเอาด้วยอำนาจของตันหาเพราะตันหาจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานจึงมีตันหาเนี่ยอุปาทานเป็นผลตัวนี้แล้วก็สร้างสร้างเหตุให้เกิดตันหาใหม่ ตัณหาเก่าเป็นเหตุสร้างเหตุให้เกิดอุปาทานอุปาทานก็เป็นเหตุให้สร้างตัณหาใหม่ใหม่บวกเก่าเก่าบวกใหม่อยู่อย่างนี้แหละทีนี้ถ้าท่านทำลายตัณหาทำลายอุปาทานหมดแล้วตัณหาเก่าท่านทำลายหมดแล้วอุปาทานก็หมดแล้วอุปาทานจะเป็นเหตุให้เกิดตัณหาอีกก็ไม่มีตัณหาจะเป็นเหตุให้เกิดอุปาทานอีกก็ไม่มี ช่วงเดียวถือว่าขาดไปหมดตัดช่วงเดียวที่เป็นที่เป็นเหตุปัจจัยเกาะกันเหมือนลูกโซ่ก็ถือว่าขาดไปแล้วมันมันขาดช่วงเดียวมันก็ถือขาดกระเด็นไปหมดแล้วตัดอวิจาความโง่ในใจของเรานี่เราพูดถึงกรรมเราพูดอะไรตามใจนึกตามใจคิดไม่ได้เรายังมีตันหาปปาฏฐานพูดนึก ได้ตามใจคิดผิดถูกดีชั่วไม่คำหนึ่งถึงก็แสดงว่าเราหลงสร้างกรรมให้กับตัวเองทับถมตัวเองอยู่ร่ำไปโดยอำนาจของความหลงความลุ่มหลงการตั้งใจตั้งเหมือนหัวใจของเราเนี่ยรออยู่กับข้อปฏิบัติอย่างนี้ไม่ให้กิริยาของกิเลสทั้งหลายเราล่านเรานั้นมา มาผ่านหัวใจของเราเนี่ยหัวใจของเราก็จะเป็นหลักไปเรื่อยหลักไปเรื่อยหลักไปเรื่อยกิริยาที่เป็นธรรมก็จะเจริญขึ้นเรื่อยเจริญขึ้นเรื่อยเจริญขึ้นเรื่อยเจริญขึ้นเรื่อยรักษาปกป้องไม่ให้กิเลสมันเจริญขึ้นในหัวใจของเราพยายามปัดพยายามปกพยายามป้องไม่ให้มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในหลักในหลักประธานทั้งสีที่ท่านพูดเอาไว้เนี่ยนี่เป็นหลักของความเพียรหลักของประธานทั้งสี่เนี่ย ภาวนาประทานประหารประทานประหารประทานภาวนาประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานพยายามระวังบาปใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นบาปเก่าที่มีอยู่แล้วก็ให้พยายามละสังวรประทานแล้วก็ประหารประทานสังวรประทานระวังบา ป, บาปเก่าไม่ให้เกิดขึ้น ระวังบาปใหม่ไม่ให้เกิดขึ้นประหานประธานบาปเก่าที่มีอยู่แล้วให้รีบฆ่าการฆ่าคือหมุนไปจี้มันนั่นแหละมันอยู่ในหัวใจก็หมุนเจาะเข้าไปในหัวใจนั่นแหละภาวนาประธานประหานประธานภาวนาประธานภาวนาประธานภาวนาประธานอนุรักษณาประธาน กุศลที่เกิดขึ้นมีขึ้นในหัวใจแล้วให้ใหกศุศลใหม่ที่ยังไม่เกิดขึ้นถ้าให้รีบเร่งบำเพ็ญเพียรภาวนาให้เกิดขึ้นกศุศลเก่าที่เกิดขึ้นแล้วมีอยู่แล้วให้รักษาเอาไว้กิเลสเก่าก็พยายามละกิเลสใหม่ก็พยายามปกป้องไม่ให้เกิดเหมือนกับน้ําที่มันทะลักเข้ามาที่เรือของเรานั่นเราก็วิดไปเรื่อยแต่เราไม่อุดรูเนี่ยมันก็ไม่หมด เราไปอุดรูด้วยอุดรูรั่วของเรือเนี่ยอุดรูเสร็จแล้วเราก็วิดออกวิทยออกวิทยออกวิทย์ไปเท่าไหร่มันก็หมดไปเท่านั้นนี่มันเข้าหลักของปัททานคือความเพียรสังวรประทานประหารปัททานภาวนาประทานอนุรักษนาประทานสังวรประทานคือระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในหัวใจประหารประทานบาปเก่าที่มีในหัวใจก็พยายาม ละเมันเราจะใช้คําว่าละก็ได้ใช้คําว่าฆ่าก็ได้ใช้คําว่าทําลายก็ได้ใช้คําว่าศึกษาจ่อเข้าไปไปเห็นพอเห็นแล้วมันก็สลายเข้าไปเองมันก็หมดความสงสัยภาวนาประทานกุศลที่ยังไม่เกิดเภาวนายเกิดทําให้เกิดนะอนุรักษนาประทานกุศลที่เกิดขึ้นแล้วมีแล้วให้รักษาเอาไว้ ในเมื่อความดีเก่าเรารักษาไว้ความดีใหม่เราก็พยายามทําเพิ่มความดีก็จะมีการเพิ่มพูนทวีคูณนี่คือหลักของความเพียรไม่งั้นกิเลสมันก็หมดไปไม่ได้การที่เราทําใจให้ได้รับความสงบนั้นเหมือนกับเราอุดรูอุดช่องรั่วของเรือที่น้ำทะลักเข้ามา กิเลสมันจะลากเข้ามาที่หัวใจของเราถ้าเราปล่อยให้มันนึกคิดทั้งวันทั้งคืนนึกคิดเรื่องการมาคุณทั้งหลายทั้งปวงนั่นแหละเราไม่ให้มันนึกมันคิดเราให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธเหมือนเราอุดรูไม่ให้กา ม, มากิเลสทั้งหลายนี่เกิดขึ้นของใหม่เกิดขึ้นของเก่าที่มีอยู่แล้วเราพยายามย้อนก็ไปเล่นงานมันย้อนก็ไปพิจารณาดูให้เห็นพิจารณาดูให้เห็นเพื่อทําลายความหลงของตัวเอง ด้วยเหตุที่เราไม่ดูไม่เห็นเราหลงหลงหยึดหลงถือท่านจึงให้ย้อนมาดูมาพิจารณารูปธรรมของตัวเองพิจารณานามธรรมของตัวเองพิจารณากายของตัวเองพิจารณาใจของตัวเองนั่นแหละอการอุตส่าห์พยายามทําความภาก ค, ความเพียรก็คือทํากุศลใหม่ที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นของเก่าที่เกิดเคยได้แล้วเคยเกิดขึ้นแล้วมีแล้วก็เป็นการรักษาไปโดยอัตโนมัติอืเนี่ย บาปก็ค่อยๆหมดไปเมือ่อเราอุดรูแล้วเราวิทน้าออกน้าก็หมดไปหมดไปด้วยด้วยสมาธิหมดไปด้วยปัญญาสมาธิช่วยชะลอปัญญาก็คือตัดสติสมาธิช่วยชะลอกิเลสไม่ให้กิเลสก็ขึ้นในหัวใจสติสมาธิ ปัญญาเป็นตัวสร้างให้เกิดสติให้เกิดปัญญาก็คือสติเป็นตัวสร้างให้เกิดปัญญาเมื่อเราเพิ่มพูนสติในจิตของเราเพิ่มพูนสมาธิในจิตของเรากลายเป็นผู้มีสตุติแน่นหนามัน่นคงพิจารณาให้เกิดความรอบรู้ก็เห็นได้ชัดกิเลสสัญญาอารมณ์สวมรอยไม่ได้เนืเมื่อมันสวมรอยไม่ได้มันก็มีแต่ธรรมะเกิดขึ้นล้วน เวลามันเกิดขึ้นเราก็พร้อมที่จะรู้เกิดขึ้นก็พร้อมที่จะรู้มันก็ดับมันเกิดขึ้นเราพร้อมที่จะรู้มันก็ดับเกิดขึ้นพร้อมที่จะรู้มันก็ดับเมื่อเราวิดน้ําออกเราวิดออกไปทนายวิทย์ออกไปทนายมันก็หมดไปท่านั้นหมดไปท่านั้นหมดไปท่านั้นกิเลสชะลอได้ด้วยสมาธิได้ด้วยสติสติสามารถชะลอกิเลสได้แต่กิเลสจะตัด ขาดกิเลสได้ด้วยปัญญาตัดกิเลสขาดได้ด้วยปัญญาพิจารณาย้อนไปให้เห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันพอเราเห็นแล้วมันก็ดับขึ้นมนเองกิเลสเป็นสัจธรรมที่ไม่มีตัวตนพิจารณาไปพิจารณาไปมันเป็นอบายเป็นมายาของกิเลสความดื้อของจิตความโง่อของจิตความไม่ฉลาดของจิตของเราเองมันทําโทษให้กับเราเอง การที่เราพยายามชําระขัดเกลาจิตของเราเองหมายความว่าเราชำระชำระสิ่งที่เป็นมณทินของจิตต่งตางๆนั้นได้หมดไปให้สิ้นไปเหมือนนายช่างจีรนัยเพชรนินจินดาเจรนัยสิ่งที่เป็นสิ่งที่เศร้าหมองของเพชรของของเพชรของมณีทั้งหลายทั้งปวงจีรในัยให้สิ่งที่หมองๆเศร้าหมองมากับ เนื้อเพชรตัว น, นั้นเจียออกไปให้เหลือแต่เนื้อเพชรแพลว์พราวเรามาเจียระในกิเลสของเราในหัวใจของเราให้เช่นเดียวกันขับไปไล่ไปด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาขับไปเรื่อยขับไปเรื่อยตอนไปเรื่อยขัดไปเรื่อยขัดไปเรื่อยจิตของเราก็เริ่มใสใสใสในที่สุดเหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์เหลือแต่ผู้รู้ดวงเดียวเพราะเห็นว่าอันนั้นเป็นโทษอันนี้เป็นโทษถอยมาถอยมาถอยมาถอยมาถอยมาจนหมด เหลือแต่ผู้รู้ที่บริสุทธิ์จิตใจก็บริสุทธิ์ได้พ้นทุกพ้นโทษไปได้ตัณหาที่มันจะเคยแทรกเข้ามาเกิดในหัวใจมันก็เกิดไม่ได้เพราะย้อนไปเล่นงานมั น, นมันจบเพราะย้อนไปเห็นเล่นเล่นงานมันแผดเผามันด้วยปัญญายานถ้าไม่ใช่ปัญญายานแล้วยังไม่ดับเห็นอยู่แต่ยังไม่ดับเห็นอยู่แต่ยังไม่ดับแต่ถ้าเป็นปัญญายาณขั้นใดก็ตามเกิดขึ้น ทำให้สิ่งเหล่านั้นล่ะปักใจเราเต็มร้อยเพราะฉะนัความถือเนื้อถือตัวที่จะหมดไปจากหัวใจได้จะต้องย้อนไปเห็นเหตุเห็นปัจจัยอย่างเต็มที่อไปดูแต่ความถือเนื้อถือตัวเนี่ยความสําคัญตัวเนี่ยที่อย์พูดเอาไว้ในสังยชดบ้างสูงนั่นก็คือความถือเนื้อถือตัวนั่นแหละไอ้ความถือเนื้อถือตัวที่เราพูดกันเนี่ยเราพูดถึงความถือเนื้อถือตัวแบบหยับหยาบ แต่สังโยชน์เบื้องบนที่พระพุทธเจ้าท่านพระสงฆ์พระสาวกพระอริยาสาวกที่ท่านอาบ อ, อรหัตตะผลนั่นนะเป็นสังโยชน์เบื้องสูงก็ยังถือตัวอยู่ถือตัวว่าเราเก่งกว่าเราดีกว่าเราเลิศ ก, กว่าเนี่ยแม้แต่เรายังเป็นปุถุชนอยู่เราก็ยังถือว่าเราเก่งกว่าเราดีกว่าเราเลิศ ก, กว่าสําคัญมั่นหมายตอนอย่างนั้นสําคัญมั่นหมายตอนอย่างนี้ จนกว่าท่านจะรู้เท่าทันการถือเนื้อถือตัวนั้นก็เหลือแต่ธรรมชาติที่บริสุทธิ์เหลือแต่ธรรมชาติทุกอย่างธรรมชาติเป็นอยู่ดั้งเดิมเท่าเดิมเหมือนเดิมไม่หลงไปตามอํานาจของธรรมชาติการที่มันป้อนให้เราหลงไปตามมันนั่นแหละคือเรายังหลงธรรมชาติอยู่ด้วยเหตุที่เราหลงธรรมชาติเราก็เลยพลอยหลงเชื่อไปกับมันทําตามมันอยู่ทุกระยะนั่นแหละ สำคัญว่าตัวตนดีกว่าเขาตัวดีกว่าเขาสําคัญว่าตัวดีกว่าเขาตัวดีกว่าเขาสําคัญว่าตัวเสมอเขาตัวดีกว่าเขาสําคัญว่าตนเร็วกว่าเขาเนี่ยมันสําคัญได้ไปหมดนะไอ้ความสําคัญก็คือสัญญาละสัญญามันคิดมันคาดมันเดามันหมายสําคัญสัญญาอตัวสัญญาตัวหมายเอาตัวนี้มันหมายมันดีกว่าเขาแต่มันสําคัญว่ามัน มันดีกว่าเขาเน่ดีกว่าเขาอยู่แต่ก็ยังสําคัญว่าตัวเองดีกว่าเขาเนี่ยมันมีความสําคัญอยู่ในนั้นแหละดีกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาทั้งทั้จะดีกว่าเขาเขาว่าสําคัญก็คือถือผิดเข้าใจผิดสําคัญผิดอ่าดีกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลวกว่าเขาแน่เราดูด้วกิเลสมันละเอียดไหม มันจะตามเราแข่งขันเราไปเรื่อยนจนถึงโค้งสุดท้ายนั่นแหละเพราะฉะนั้นที่พวกเราเห็นแบบหยาบๆที่แสดงกิริยาต่อกันให้เกิดความกระทบกระเทือนเนี่ยมันเป็นเป็นของหยาบๆของหยาบๆเหล่านี้เราสามารถข่มได้ง่ายๆข่มได้ง่ายๆโดยการตั้งอกตั้งใจทำให้เป็นไปตามขนบธรรมเนียมตามร่องรอยของศีลของสมาธิของปัญญา มันก็พอจะสงบระงับได้แต่การที่จะไปรู้สิ่งที่ละเอียดหรือ้าไปอีกถึงนู่นน่ะความหลงนี่มันทำให้เรารู้ตัวได้ยากตราบใดที่ยังหลงก็คือไม่รู้สึกตัวอ่าตะวันออกอยู่ทางนี้ตะวันออกอยู่ทางนี้ไม่ใช่อยู่ทางนี้อยู่ทางนี้ อ, น อ, นอ้าวชี้ไปคนละทิศละต่อเมื่อพระอาทิตย์โผล่เข้ามาโอ้ใช่ตะวันออกอยู่ทางนี้จริงๆแน่คนหลงทิศก็เช่นเดียวกันนั่นแหละ รบาบรายที่ยังไม่โอนี่ก็ยังไม่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนี่ก็ยังหลงอยู่อย่างนั้นยังเถียงอยู่อย่างนั้นความไม่ลงใจมันก็มีอยู่ในนั้นแหละนี่เป็นเรื่องธรรมดาอ mm. การที่เราจะส่อหันทิศหันทางให้ถูกนั่นแหละคือการเร่งขวนขวายไปตามข้อวัดปฏิบัติอ mm. ตั้งใจรักษาศีลก็เพื่ออะไรเพื่อให้มันเกิดความเร่าร้อนเดือดร้อนตามมาเล่นงาน เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าสินหนุนสมาธิสมาธิหนุนปัญญาปัญญาหนุนวิมุตติวิมุตติหนุนวิมุตติญาณทัศนะห น, นุนกันไปเรื่อยๆหนุนความหลุดพ้นหลุดพ้นแล้วรู้ว่าเจ้าของหลุดพ้นอีกนี่ท่าพูดถึงธรรมะเบื้องสูงเอะพอสมควรแล้วทำบทัดรสวดมนต์